ต้องสังเกตเอาไม่ใช่ทํากรรมฐานตามเพื่อนอย่างเพื่อนเขาพุทโทนะเราก็จะพุทธโทเขาเพื่อนเขาดูพองยุบท้องพองยุบก็จะพองยุบกับเขาอะไรางี้ตามๆกันไปเมินไม่ได้ผลกรรมฐานจริงๆนทางใครทางมันนะในหลักการปฏิบัติเนี่ยจะต้องตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ในขั้นลงมือทาเนี่ย